ธรรมชาดกแผ่นที่11อลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25สิ่งหาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าเปตยาติพิมพิสารวันนี้ขูบาทั้งหลายลงโบสดนะวันนี้นะเที่ยง เที่ยงวันลงอุโบสถตั้งแต่พรรษาปีนี้นมาลงโบให้ลงอุโบสถตอนเที่ยงตั้งแต่ไหนแต่ลามาเราลงอุโบสถตอนบ่ายบ่ายหาโมงพอลงอุโบสถจบลงไปแล้วก็ขึ้นศาลาไหวพระสวดมนต์วันพระ8 15, คำ15ห้าคำแต่ปีพศส5 5พัร้อยสิบเจ็ด ตั้งแต่เข้าปรรษาที่หนึ่งตรงโบสถเที่ยงวันแต่ถึงยังไงก็ถึงวันเราก็ต้องลงโบสถจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ได้ในในวันนั้นแต่พวกเราถ้าว่าได้ตรงตอนเที่ยงเราก็ได้มีเวลาได้พั ก, กชั่วระยะหนึ่ง วันนี้เป็นวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานเป็นวันทาบุญตามประเพณีของอีสานคือทาบุญข้าวประดับดินพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นล้นหลามมากมาย ต่างคนก็ต่างมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการทาบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่เบื้องหลังท่านที่จากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านไปนสสานที่ใดบางทีพอตายไปแล้วอาจจะไป คิดไม่ดีในช่วงนั้นพอคิดไม่ดีในช่วงนั้นอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานก่อนไปตกนรกก่อนไปเป็นเปรตก่อนหรือไปที่ไหนก่อนพอพ้นจากภพภูมิเหล่านั้นก่อนกลับมามาใช้วิบากกรรมแต่ถ้าหากพวกเราลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้น ท่านก็นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากวงศาคนาญาติอันนี้คือในกฎของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแต่บางคนไม่ใช่ว่าจะได้ทุกายไม่ใช่บางทีทําบาปกรรมติดคุกอุกสกันคือโทษหนักเรื่องพันธนาการ ตึงไว้ทุกทุกแข่งคนส่งอของเข้าไปให้ในเรือนจำํำพวกคุมผู้คุมเขาเขาไม่รับเขาไม่ใ ห, ไให้ไม่ส่งเข้าไปเพรโทษหนะักอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่ า, าถ้าโทษเบาลงมาแล้วก็ปล่อยบ้งางเล่ยล่อนไปบ้างนี่แหละอันนี้พวกที่เล่ย่อนออกมาจาก ที่คุมขังมาเที่ยวหาเกิดหรือว่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดเพราะว่ามีาบาปกรรมยังติดค้างอยู่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราถ้าจะพูดประยายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้ที่ตรัสเอาไว้มากมายที่ดวงวิญญาณแต่ละคนข้องแวะติด แต่ว่าถึงยังไงก็ตามท่านก็บอกบ่งไว้ว่าผู้ที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราอุทิศให้เนี่ยมันมีอยู่สองประเภทคือเปตอสุรกายเปรตวิสัยเออเปรตสุรกายคล้ายๆกับวาบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากจะไปเกิดก้าไม่ได้เออแต่ก็อยู่อยู่ไปอย่างนั้นอยู่คอยคอยรับไปชนีถ้าว่าญาติพี่น้องทา บุญและอุทิศโฉนกุศลไปให้พวกนี้จะได้รับคอยรับบุญกุศลแต่ถ้าว่าพวกทามันหนักถ้าโกรธหนัแล้วไม่ได้รับแล้วไม่ได้รับที่พวกเราทําบุญกุศลไปเนี่ยจะไม่เสียเปล่าเหรอพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเหมือนกับเราส่งของทางไปชนี ส่งของไปแตป่นายไปชนีเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อสัตว์ในเมื่อส่งปลายทางแล้วไม่มีไม่มีใครรับกลองไปศสด็จนกะ็กลับมาหามาหาเจ้าเจ้าของผู้ส่งนี่แหะบุญกุศลมาถึงผู้ส่งพอเหตุไรเพราะว่าปลายทางไม่มีไม่มีใครรับปลายทางไม่พร้อมที่จะรับปลายทางรับไม่ได้ ปลายทางอยู่นอกอยู่นอกเขตจ่ายอยู่นอกเขตจ่ายปชนีไม่ใช่ว่าจะส่งไปที่ไหนก็ได้รับทุกหมดไม่ใช่นะพอไปส่งถึงอำเภอแม่สายแต่พวกนั้นะเราไปอยู่น้ำพุนเขาแดนพมา่าอยู่ในกระเลียงนะไปถึงที่นั่นเขาก็เรียกขาชื่อไม่มีนะแล้วจะทำยังไงเขาก็ส่งไปชนีที่ซื่อสัตย์ะเราก็ต้องส่งกลับคืนมาหาเจ้าของเดิมนี่แหละ อันนี้ก็คือในหลักธรรมคาสอนที่ท่านได้วางเอาไว้มีกฎเกณฑ์เอาไว้แต่ถึงยังไงที่ท่านได้พูดกันเรื่องชัดเจนคือในพระไตรปิฎก็คือพระเจ้าพิมพิสารครองราชแระถ เ, เวยเธอวัตรป่าเวรวุวันเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกจากนั้นพระองค์ทำบุญเสร็จแล้วกวดน้ำทักคีนโนทกเป็นสกีพยานในแผ่นดิน เพื่อจะถวายต่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือวัดป่าเวลุวันแต่เมื่อพระ อ, องค์ทำบุญเสร็จแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งทำบุญเสร็จแล้วก็จบหยุดแปลว่าได้เงินแล้วได้เช็คมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าเลยก็จบไม่ได้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งฉะนั้น ญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตในอดีตชาติมีแต่ที่พวกเหล่านั้นก็พอพระเจ้าพิมพ์พิสารขายของบุญกุศลอื้อราแต่ไม่ยอมแบ่งใครเนี่ยแต่นี่ก็ไม่รู้ไม่ก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้อุทิศส่วนกุศลพระเจ้าพิมพ์พิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเพราะนั้นในจุดนี้จุดหนึ่งที่หลวงพ่อว่าให้อุทิศส่วนกุศลหน้า เมื่อเราได้ทําบุญทําทานเมื่อเราได้รับพร อ, อุทิศส่วนเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามมีส่วนที่จะได้รั บ, รบส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าเป็นพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหายในอดีตแต่ชาติปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้ายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเราท่านเหล่านั้น อันนี้ก็คือเวลาเราทําบุญให้เราคิดอุทิศส่วนกุศลอย่างนี้ตอนที่พระเจ้าพิมพ์ิสารไม่ได้อุทิศอย่างที่ว่าพอทําบุญจบแล้วก็คือจบบุญกุศลก็เข้าสู่อจิตใจของพระเจ้าพิมพ์พิสารจากนั้นก็มีญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตอที่เป็นเปรตอยู่อที่ไม่ได้ใช้กรรมด้วยวิบากกรรมที่ตนได้กระทาไว้แต่จะหมดล่ะจะหมด บาป ก, กรรมอะไรท่านี้ในเมื่อพระเจ้าพิมพษษ์ิสารอุทิศส่วกุศลให้ก็แปลว่าได้รับท่านี้ก็เปรตเหล่านั้นก็แสดงตนให้ปรากฏในเวลากลางคืนพระเจ้าพิมพ์ิสารนอนอในเวียงในวังเปรตก็แสดงตนให้ปรากฏโอ้น่ากลัวไม่มีเสื้อผ้าบางตัวพร้อมๆบางกระโดดโลดเต้นจนพระเจ้าพิมพ์พิสารนอนไม่หลับทั้งคืน แต่ืึงเช้ามาก็มากราบพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าวอกเอออันนั้นเป็นญาติของพระองค์ในอดีตชาติที่เขามาคอยรับบุญกุศลแต่พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้โอ้ทางนั้นกับผมขอทําใหม่วันพรุนี้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปฉั น, นเวียงวังอีกก็ถวายปัตตาหารอีกอุทิศส่วนกุศลให้แต่พออุทิศส่วนกุศลให้พวกเปรตนั้นได้รับบุญกุศล อ้วนทวนสมบูรณ์หน้าตาสดใสยิ้มแย้มเฉียบใส่กันทั้งหมดแต่ไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเหตุนั้นก็กล้ามากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ถวายแต่พระทหารไม่ได้ถวายเสื้อผ้าให้เขาพระเจ้าพิมพิสารถวายตอนวันรุ่กขึ้นถวายทั้งเสื้อผ้าทั้งถวายถวายผ้าไตรนะไม่ใช่เสื้อผ้าถวายผ้าไตรถวายถวายผ้าสง์แล้วก็ถวายพระทหาร เปเรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทั่วนหน้ากันจากนั้นก็หายผู้ที่จะไปเกิดก็ไปเกิดผู้ที่ไปสู่สวรรค์สั้นฟ้าก็มีเพราะว่าเปเรตเหล่านั้นไม่ใช่จนทุกคนนะมีอยู่อันดิสงการทำบุญของเขาในอดีตแต่ชาติเขามีอยู่แต่เขามาใช้กรรมเหมือนเหมือนกับเขานักเลงที่ไปทำความชั่ว แต่เงินเขาฝากธนาคารแล้วเขาซื้อที่ดินไว้มีอยู่เงินที่ที่ดินเขามีอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขามีอยู่ใบโฉนดที่ดินเขามีอยู่แต่เขาไปติดคุกเมื่อพ้นจากคุกมาเขาก็ต้องเอาใบโฉนดที่ดินมาขายหรือมาสร้างบ้านตรงแปลงโฉนดของเขาเขาก็เป็นเศรษฐีเผยออยังรวยกว่ารวยกว่าคนธรรมดาอีกไปเพออราะว่า เขาได้ทำบุญกุศลไว้ในอดีตมีอยู่บางเรื่องนี่แหละอันนี้คือในหลักธรรมคำสอนของพษษะระพุทธศาสนาถ้าเปรียบเทียบขึ้นไปก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์เหมือนกันใกล้ใกล้กันเรียบเคียงกันแต่บางคนก็สงสัยว่าถ้าเราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับคนอื่นเขาบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยจะไม่ร่อยหลอหมดไปเหรอเราเอาให้เขาทั้งหมด อันนี้ก็คือมีคนถามในครั้งพุทธการในถามในในถามกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าไม่หมด เ, เหมือนกับเราจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาคือเราทาบุญคือเหมือนกับเราจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าว่าใครเขาตามมา เ, เอาเทียนมาจุดต่อ จากไฟของเราจากเทียนเล่มนั้นอะไฟของเราหมดไปไหมอันนี้ก็คือความเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าถ้าท่านเปรียบเทียบในพระตไตรปิฎกให้ฟังคนนั้นเขาาก็ได้ไฟไปเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ไฟของเราที่อยู่ในเล่มมันลอยหลอไปไหมไม่ฮเขาก็ได้เราก็ได้นี่แหละอันนี้เพราะนั้นเพราะเหนั้นท่านจึงว่าเวลาเราทําบุญแต่ละครั้งให้อุทิศส่วนกุศล ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้ดวงวิญญาณท่านข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณของพวกท่านเหล่านั้นจะเป็นภพภูมิใดก็ตามขอให้มารับส่นบุญส่วน ก, กุศลจากข้าข้าพเจ้ามีความสุขอย่างไรขอให้ผู้อื่นดวงวิญ ญ, ญาณอื่นเหล่านั้นจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานอันนี้ก็คือ การทําบุญอุทิศส่วนกุศลสําหรับพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองก็มาย้ําอีกว่าถึงยังไงก็เถอดนะพวกเราท่านทั้งหลายการทําบุญสร้างบุญและอุทิศส่วนกุศลนั้นมันเป็นปลายมือแต่ต้นมือจริงๆของพวกเราเกิดมาพบพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกเราต้องการอะไรเราก็รีบทํามดซะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเมื่อตายไปแล้วเราไม่ต้องห่วงหาอะไรว่าให้คนอื่นทําบุญให้เราคนนี้ทําบุญให้เร า, นน า, บ, เราบางทีลูกของเราหลานของเราเออต่อหน้าต่อตาเราสั่งให้ไปซื้อของเอาซื้อสิ่งของมันให้ย่าให้ย้ายนะให้แม่นะไม่ยังไปทะเลถลำไปซื้ออย่างอื่นเออ บางทีไม่ซื้อมาให้เสียด้วยซ้ำไปครับเมื่อเราจะมีชีวิตแล้วเมื่อเราตายไปแล้วไม่ยิ่งไม่กว่ากว่านั้นเหรอเมื่อเรามีมรดกให้เขามีที่ไร่ที่นาที่รัดที่สวนที่ทามาค้าขายให้เขาเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่เราจะทำอะไรแบ่งทำ อ, อันนี้แบ่งให้สู่เจ้านะ ทำมาค้าขายธรรมาหาเลี้ยงชีพอันนี้ฝากฟังไปในพระพุทธศาสนาอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็คือการแบ่งการแบ่งแบ่งวงสาคนาญาติแบ่งสร้างบุญสร้างกุศลมิใช่ว่าตัวเองหามาด้วยความทุกข์ยากลาบากงกกันกันผลที่สุดก็เลยได้มาแล้วก็รวยก็ไม่รู้จักทําบุญเพราะความขี้ตเียที่เหนียวของตัวเองผลที่สุดก็เลย พอตายไปแล้วก็ไม่ไมา ไ, ไม่ได้อะไรเเป็นสมบัติของเขาไปตัวเองเลยเป็นเปรตทุกยากลำบากอันนี้ก็ส่วนนี้เราควรจะคิดไว้เหมือนกันในเมื่อเราเกิดมาเดี๋ยวพบ พ, พุทธศาสนาส่วนไหนที่เราควรจะทำะควรจะเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำซะในเมื่อทำจบลงไปแล้วบอกสั่งเสียก่อเลยลูกเอ้ยหลานเอ้ย สูเจ้าไม่ต้องทําให้พอ่อให้แม่หรอกนะไม่ทําไม่ต้องทําให้พ่อหรอกนะพ่อทําเอาเองพอแล้วขนาดนี้เป็นที่จุใจเอสูเจ้าจะทําก็เป็นเรื่องของสูเจ้าแต่ไม่ต้องหนักใจเนี่ยเพราะพ่อได้ทําเอาเองเพียงพอตามความต้องการของพอ่อออย่างองค์หลวงตามหาบวัวเห็นไหมท่านบอกว่าใครไม่ต้องมากุศลาให้เรานะคนที่มากุศลาให้เรานะ่ยเป็นใคร อมีคุณธรรมมีเอคุณธรรมในจิตใจมากน้อยแค่ไหนเราเนี่พอแล้วเราพอตัวแล้วไม่ต้องทําไม่ต้องกุศลาให้กับเราเราทำเอาพอแล้วเอเราเอาทํามาเพียงพอแล้วในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราทําเพียงพอสําหรับเราแล้วอไม่ต้องทําอะไรให้ให้กับเราอีกแล้วสู่เจ้าทําก็ทําเพื่อสู่เจ้าก็แล้วกันอแต่ไม่ต้องมาเผื่อแผ่ให้กับเรามา มาธิกาบางสกุลมากุศลากุศลารธรรมมากุศลาให้เราไม่ต้องอันนี้แหละ ค, คือความเชื่อมั่นและความเด็ดเดี่ยวขององค์ท่านท่านคำว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกท่านเราตายจากชาตินี้ไปแล้วที่เราใช้อยู่นั่นคือใช้วิบากกรรมวิบากกรรมที่น่าทำในอดีตแต่บัดนี้ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอันนี้แหะคือแนวทางของพุทธศาสนาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะั่นคือเพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่ให้ให้เป็นที่อุ่นใจถึงเราจะไม่ได้ทานก็เถอะเราไม่ใช่ว่าทานซะก่อนยังใครบุญไม่ใช่เรารักษาศีลเราภาวนาสิ เราภาวนาอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเรารักษาศีลอย่างเดียวอา้าวข้าพรเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อา้าวข้าพรเจ้าจะภาวน า, าตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาไม่ต้องหรเรื่องการทานเพราะเราเป็นนักพจนักบวชการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะทานอย่างเดียวนะศีลภาวนา ภาวนานะเลิศดประเสริฐที่สุดให้ตั้งใจภาวนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธายาติโยมลูกหลานทุกคนนะเกิดมาในพระ พ, พุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างหลวงพ่อย้ำแล้วบอกอีกว่าตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกในหลักของพุทธศาสนาหนทางพิสูจน์มีการพิสูจน์ชีวิตจิตใจเป็นยังไงนะเอารับพรอนอโมทนาให้พ